ต้นสาธุทธบริษัททั้งหลายแปรโยงข่าววจรทั้งหลายสำหรับการก่อนแห่งการเจริญพระกรรมาฐานบั น, นีก็จะขอนำมาเรื่องของบุพกรรมให้หัวข้อชื่อเรื่องว่าบุพกรรมของพระมาหาสาวกจะความจริงในเรื่องที่ตั้งตังไว้จริงๆเป็นเรื่องของสนใย แต่เรื่องนี้มีเรื่องทั้งหลายเกี่ยวข้องอยู่มาก <c oughs> ความจริงมีเรื่องว่าสนัยอยู่นิดเดียวแต่ไปเรื่องของมหาสาวกใหญ่กับมหาสาวกมีอยู่เยอะจึงขอตั้งหัวข้อเรื่องสมัยเรื่องของบุพกรรมของอกักสษรของมหามหาสาวกนี่เพื่อความกันเผื่อของท่านทั้งหลายจึยงไม้บอกให้ทราบไว้เนือความมีอยู่ว่า นี่อย่าลืมนะครับราเรว่าเราฟังกันเพื่อการศึกษาไม่ใช่เล่านิทานสู่กันฟังนี่เวลาฟังไปแล้วก็คิดไปถึงตอนไหนพวงคนจะแวะก็แวะหน่อยเพราะว่าท่านเล่าเป็นแค่เล่านิทานสู่กันฟังก็แค่นั้นแหละครับไม่มีความหมายอะไรมากเ <c oughs> นืนความมีอยู่ว่ามาองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนเสด็จประทับอยู่ที่พระเวรุวันมหาวิหารพระเวรุวันนี่ก็คือสวนไม้ไผ่ที่พระเจ้าพิมพิสารถวายเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาทรงประรับความมาไม่มาก็สนชัยปริพาชกเป็นเหตุซึ่งอากรสาวกของสมเด็จพระรมาโลกกนเลต ค, คือพระโมกขลาเปษนสาริบุตรแลว้ว สมรรเด็จพะบพิธีแก้วกินตสมดัรธรรมทีชนาความว่าอาซาเรสารมตินโนเป็นต้นทึงกล่าวว่านุปุพิกถาคือถ้อยคำที่กล่าวมาตนดําตามลาดับในเรื่องสัญชัยมียังต่อไปนี้ความจริงเรื่องนี้กว่าจะถึงสัญชัยก็นานเรื่องมากบุคกรรมเยอะ ความมิยว่าทห่งกล่าวว่าในที่สุดแห่งเสียสงไขยิ่งเลยแสงกับนี้ไปสำเนตพระจอมไตรบรมศสสสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเป็นกุมารของพรา์นามว่าสุเมธะคำว่ากุมารก็หมายความเป็นลูกของพราม ลูกชายของพระมมีพระนามว่ากุมเมธะในออมารัจวณีนครขั้นถึงความสำเร็จศิลปะหมายความเรียนศิลปศาสตร์เรียนวิชาความรู้สำเร็จทุกอย่างแล้วโดยการร่วงไปแห่งมารดาเลบิดาหมายความว่าเมื่อเรียนวิชาความรู้จบปริญญาเป็นรุษนีบันฑิ สมัยนั้นก็มีการเรียนกันถึงขั้นหลุดสรีบัณฑิตแล้วถึงกล่าวว่าโดยการล่วงไปหิวดามันดาหมายว่ามิดามานดานั่ตายหมดแล้วทีงนี่ทรงบริจาคทรัพย์นับเป็นหลายโกรบวดเป็นรือศีอยู่ในหิมะวันตะวันเทศทาฌานและปัญญาให้เกิดขึ้นแล้ว ไปโดยอากาศเห็คนถางทางเพื่อประโยชน์เพื่อเสด็จออกจากสุทัศนะวิหารไม้ความเหาะไปเห็นคนกําลังถางทางอยู่เพื่อการเสด็จออกไมายความเพื่อการเสด็จออกของพระพุทธเจ้าจากจากสุทัศนะวิหารเข้าไปในสูเัวมะไปสัวมะ อาเมอระวดีนครแห่งทศพลแห่งพระทศพลสมภษนามว่าทีปังกรแม่แม่ตนเองก็ถือเอาประเทศแห่งหนึ่งเมืม่อประเทศนั้นยังไม่ทังจะเสร็จว่ากันสยุ่งเลยนะก็มหมายความเในเวลานั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสภนามว่าทีปังกงร ประทับอยู่ที่สุทัศนานครนั่นเองในเมืองที่เรียกว่าอัมราวาดีนครแต่ว่าดันว่าชึครึม น, นี่ต่อไปเป็นบอกว่านอนทอดตนอ๋อแล้วก็ต่อมาแม่ก็องท่านเองก็มีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น นี่มนพระพุทธเจ้ามาสู้ชิวตูที่ของพระองค์ตัวไหนเป็นคลองก็นอนทอดตนไปสะพานแล้วก็ลาดหนังเสือเหลืองคนเปื้อนตมเพื่อพระศาสนาเสด็จมาแล้วใ น, นเล่าเรียงย่อในชาดกนี้ยาวมากทัานย่อก็ย่อตามไปยินย้อนไปเล่าชาดกก็อีกหลายเดือนจบด้วยมีความประสงว่าขอสมเด็จพระรมรศาสนา และระสาวกไม่ต้องทรงเหยียบเปลือกตมหมายความว่าที่ไหนมีเปิดตมเวลาที่นีมนตร์มนต์นักของท่านให้ก็เอาหนังเสือ ป, ปวบ้างเอาร่างกายทอดเป็นสะพานบ้างให้พระสาวกกระสมในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหยียบไปนี่หมายถึงว่าพระพุทธเจ้าของเราเองนะสมัยนั้นทรงเป็นสมัยทันดาบท แต่พอสมเด็จพระผู้ทธมีพระพ่ายเจ้าทอดระเนตเห็นก็ทรงพยากรณาว่าอา่าเดีวก่อนทรงพยากรณาว่าผู้นี้เป็นพุทธงังคูนคำว่าพุทธังคูลนี่เป็นเลื่อนหนอจะได้เป็นพระพุทธเจ้าต่อไปอยากเป็นพระพุทธเจ้าสมบัติ น, นมามว่าสมณะโคดม ในที่สุดจากนี้ไปเสียสงไข ย, ยิ่งเดชแสงกับแม่นาคตนี่ก็หมายความว่าในสมัยพระพุทธคีพังกรนั่นเององค์สมเด็จพระินณาวรของเรานี่เริ่มเริ่มปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนในสมัยต่อมาแห่งพระศาสนาพระองค์นั้น ทรงพยากรณในสำนักของได้รับพยากร์ในสำนักพระพุทธเจ้าอีกยี่สิบสามพระองค์แน่ดูนามว่าเริ่มต้นในสมัยนั้นพระองค์ที่สุมเมธน า, าบทและพบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมพนามว่าถีปังก่อปังวจำให้ดีนะครับ พระพุทธเจ้าองค์นั้นสมัยก่อนบรรับตรนี้ไปสี่สงไขแล้วก็ยิ่งได้แสงกลับท่านพูดนี้จะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้ามีนามว่าพระสมณะโคดมเพราะนั้นา็ว่าสมัยก่อนต่อมาแห่งสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าองค์นั้นสมัยต่อมาเนี่ยไม่ใช่ก่อน หลังจากที่พระพุทธเจ้าองค์นั้นคือดสมเด็จพระพุทธทีปังกรนิพานแล้วก็เลยทรงชำระเพยากรในพระพุทธเจ้าอีกยี่สิบสามพระองค์เป็นอันว่าพระพุทธเจ้ายี่สิบสี่พระองค์นี้พระพุทธเจ้าของเราทรงผ่านมาแล้วก็รับเพียกรมานี่สําหรับพวกปรารถนาพุทธภูมิเป็นอา่าเป็นปัญญาที่กะ พระพุทธเจ้าอีกยี่สิบสามพระองค์ก็คือที่ทรงบัติขึ้นทรงโลกเหล่านั้นคือได้แก่หนึ่งพระโกนตัญญาโกนตัญญานี่เป็นนามของพระพุทธเจ้านะไม่ใช้พระัญญาโกนตัญญาสาวกสองพระมังสุมังคละสามพระสุมณะสี่พระเรวัตตห้าพระโสภิตะ 6. กพระอนโมุมัทสีเจ็ดพระบัุมะแปดพรนราทะเก้าพระบทุมุตระสิบพระสุมิทะสิบเอ็ดพระสุชาตะสิบสองพระบิยาทศี ส, ทาทา ส, สิบาสามพระอัฏฐทศีสิบสี่พระธรรมทศีสิบห้าพระคิททะ สิบหกพรติสะสิบเจ็ดพระบุษสะสิบแปดพวิปัสสีสิบเก้าพรสิกขีสามสิบพรเวสสุโภขอยี่สิบนะยี่สิบเอ็ดอ่ายี่สิบเอ็ดพระกุโสันทะนี่สองพระโกนาคมณะนมีสามพระพุทธกัศกัตรปะ เป็นอันว่ากว่าพระองค์จะบองทรงบำเพ็บารมีครบสามสิบทนก็ต้องผ่านพระพุทธเจ้ามาถึงยี่สิบสี่องค์คือบารมีสิบอุปบารมีสิบปรมัตรบามีสิบครั้งทรงลงลำนงเดียวแต่ภาพเป็นพระเวทสันดรในมหาได้ให้มหาทานทำเวทรมเป็นดินไหวไปครั้งแล้วองค์สมเด็จพระบาณิตแก้ว ได้ทรงบริจาคพระโอรสราะพระชายาในาที่สุดพระชนมายุก็ได้ทรงอุบัติในดุสิตบุรีดำรงอยู่ในฉันดุสิตบุรีนั้นตลอดอายุไขัชนมายุเมื่อทวันดาในหนึน่งเยาววาลมาประชุมกันใรัตนาว่าข้าแต่พระมหาวีระการนี้เป็นการของพระองค์ขอพระโอ๋ทจงสเด็จ เป็นจงสนเด็จอุบัตในขันของพระมารดาตัดรู้วมัมมัตหมดยังโลกให้นี่ทั้งโลกให้มีความสุขอยังโลกนี้กับเทวโลกให้ข้ามอยู่หมาให้มีความสุขและต่อมาสรงทรงเลือกฐานะใหญ่ๆที่คนเลือกห้าอย่างนี่หมายความว่าคนมีบุญสีอย่าง ถ้าจะไปเกิดจ้เลือกเอาตามชอบใจฐานะใหญ่ๆที่ควรจะเลือกห้าอย่างก็คือหนึ่งฐานะที่เลือกนะหนึ่งการได้เวลาที่จะลงไปสองประเทศได้กัที่ลงไปสามทวีสี่ได้กูลที่จะเกิดห้ามันดาที่จะเกิดด้วยทหมายเพราะว่าเลือกเอาได้ตามชอบใจ เป็นว่าการท่านทรงเลือกประเทศฐานะใหญ่ใหญ่ห้ายอย่างที่ควรจะเลือกสเสด็จยากดูกสิบบุรีนั้นทรงถือบริสนทธิทีท่ในสักยราชสกุลอันพระบะยุิญาติระงุมเรอด้วยมหาสมบัติในสักยะแตสกุลนั้นทรงถือความเจริญวัยโดยนํำดับ สวรรสีริราาจะสมบัติในเรสซาทั้งสามอันสมควรแก่ฤดูทั้งสามด้วยสีริร้าจะสมบัติเหมือนกับเทวโลกตอนนี้เลยยังไม่เคยได้เรื่องกันตอนนี้ก็มาฟังกันสักนิดหนึ่งว่าพระนามขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน่ความจริงซ้ำๆกันได้ราว่าพระพุทธเจ้าจริงๆที่มีคนพูดกันไว ว่าพระพุทธเจ้าทรงร่วมมาแล้ว28พระองค์นั่นผมคิดว่าท่านเผลอไปมากได้ความจริงพระพุทธเจ้าของเรานี่ทรงพระ น, นามว่าพระสมณโคดมเป็นพระพุทธเจ้าประเภทปัญญาทิกะทัทรุวัยยังต้องผ่านการพยายามของของค์สมเด็จพระจอมไตรามาถึง24พระองค์ที่พระพุทธเจ้าที่กล่าวถึงนี้ เป็นเด่นพเจ้าที่พระองค์ทรงผ่านมาและก็ทรงรับพู้ใจกรเป็นลําดับมาเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าบางองค์มีชื่อซ้ํากันอย่างใะไรพระพร อ, อย่างกับพระสิทธัตถานี่แต่ความจริงพระพุทธเจ้าของเราเองก็มีนามว่าพระสิท ธ, ธัตถา อ้ายหลังก็ไปพระพุทธเจ้าที่พี่เพื่อนนำเหมือนพระองค์ก็มีที่นีนำประสิทธิ์ฐานอันนี้เป็นต้นเป็นอนุภาพพระพุทธเจ้าที่ก็บอกว่าผ่านมาแล้วยี่สแปดพระองค์นั้นไม่จริงมีมากกว่านั้นผมจะไม่ย้อนเพราะว่าไม่มีความจําเป็นต้องคิดว่าพระพุทธเจ้าขั้นปัญญาที่กะบำเพ็ญบารมีน้อยอสงไขแค่เสียสงไขต้องผ่านพระพุทธเจ้ามาถึงยี่สิบสี่พระองค์ รับคําเปียกรถ้าเป็นปัญญาธิกะต้องบัเป็นบรมีซึ่งแปดระสงค์ไข่ถ้าเป็นวิริยาธิกะต้องบังเป็นบรมีซึ่งที่ปกกระสงไข่แล้วพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ตระองค์ที่ทรงพยากรณ์มาแล้วนั้นก็ผ่านพระพุทธเจ้ามาเหมือนกันไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าจะไปเริ่มต้นเอาแค่วพุะตทีฟังก่อนนี่ขอรับฟังไม่เบียดเบี้ยผมใช้ปัญญาพิจารณาด้วย ตอนนี้ยังคงไม่ได้อะไรมากสำหรับวันนี้กั้งกันต่อไปในสมัยที่พระองค์เสด็จไปเพื่อประาพาสพระราชเจดียานทรงเห็นทรงเห็นเทวาทูตทั้ทงสามคือคนแก่คนเจ็บคนตายโดยลำดับตอนนั้นหมายความว่าเกิดในราชสกุลของักยราชมีความอดมสมบูรณ์ในความเป็นอยู่ทุกอย่าง พระราชวิดามาลาสมบรมมรรูรณ์บริเลยมูมพระบุรญญาตสบงรณบริเลยให้มีความสุขได้ปรารถนาแค้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิผู้ครองโลกความใหญ่ใครก็ต้องการแต่องค์สมเด็จพระพิตรมายกับทรงเห็นททเทวทูตคำว่าเทวทูตหมายเรื่องว่าเทวดาสแสดงให้ปรากฏขิงคนแก่คนเจ็บคนตายเรียลําดับทรงเกิดความสังเวชแล้วก็เสด็จกลับ ในวันที่ 4, สี่ทรงเห็นบรรพีคิดแต่ความจริงสมัยนั้นนักบวชไม่มีเป็นเรื่องของเชวดาแสดงทั้งหมดแล้วบอกว่าทำความพอใจในการบรรวชายเกิดขึ้นคือดีใจว่าบรรพีคิดนี่พ้นทุกเราจะบวชทรงตัดสินไม่ใช่ว่าการบวชเป็นของดียังเลื่อนเสด็จไปสูพระราชทิยานในวันนั้นสิ้นไปด้วย สิ้นไปในพระจุทิยานนั้นโอ้โถวันทั้งวันในวันทั้งวันท่านพักอยู่ในพระจุติยานตามความสบายที่จะหนีเพื่อทับนั่งอยู่ริมขอบสาปโปกรณีอันเป็นมงคลอันพระวิศนอกรรมเทพประบุจำแรงเพศเป็นช่างกระบกมาตกแต่งถวาย ทรงสดับขาวกระสุนของพระราหุนกุ ม, มารทรงทราบถึงความเสน่หาในพระโอรสเป็นกําลังต้องนับว่าเราจะตัดเครื่องผูกนี้จนผูกมัดเราไม่ได้ทีเดียวนี่ห ม, มายความว่าคราวนี้ลูกชายเกิดขึ้นแล้วความดีใจว่าลูกชายเกิดมีความรู้สึกว่าโอ้ถ้าลูกเกิดขึ้นมาไรความรักมันไปอย่างนี้ เรารักลูกมีอุปมาชั้นใดมีกําลังเท่าใดบิดามันดาวก็มีความรักเราเท่านั้นแต่ว่าเครื่องผูกนี่ปูดตังคีเวของลูกผูกข อ, อนี่เราจะตัดให้ขาดจะไม่ยอมมาให้ลูกเป็นเครื่องผูกคอเราให้ทรงอยู่ต่อไปดังนั้นเวลาเย็นองสมเด็จเปยจอมไตรยิยงเข้าไปยางพนคร ทรงสันดับราถานี้ที่พระธิดาของพระเจ้าอานามว่าสีสาขโคตมีหมายความว่าเป็นพมาณดาลเลี้ยงคือพมาณดาของพระองค์นะเมื่อพระองค์ทรงพระครรอดแล้วก็พระพรเดสวนอาคตภายในเจ็ดวันหลังจากนั้นก็พระราชบิดาก็ได้ลูกของอามาเป็นประชายา มีนางกีสาโคตมีขณะนี้ผ่านมาพระนางนั่งอยู่ข้างทางเข้าเห็นพระรูกเจ้าจึงทรงจัดเป็นพาสิตว่าพระราชกุ ม, มารเช่นนี้เป็นพระราชโอรสแห่งุนนีและพระชนกและเป็นสวามีของนางใดๆพระชนนีพระชนกกละพระนางนั้นนั้นดับ เพื่อมีใจใจเยน็นเช้นได้แน่แล้วไม่มีอะไรเป็นทุกข์เพราะว่าตั้งแต่พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเกิดเป็นพระสิท ธ, ธาลราชกุมารยังไม่เคยสร้างความเป็นทุกข์ให้เจวิดามารด้และหมู่พระประโยชน์ญาติเลยมีความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามระเบียบทุกอย่างตามระเบียบประเพณีทั้งหมดเออเราฟังแล้วเป็นการศึกษา ก็เป็นอนุปัฏฐาจริยาขององค์สมเด็จโตสัมมาสัพทธเจ้ามาแล้วเราเองก็เป็นสาสยายบทพุทธาจิโนรถเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเมื่อพ่อท่านเป็นคนดีเราจะปฏิบัติตัวเป็นคนชั่วมันจะดีได้ออยังไงก็ฝากคุณดาท่านนนั้หลายวันที่ใช้น้ำมา่าสยายบทพุทธจิโนรถ ขึ้นชื่อว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตั้งแต่เกรดวัิเมื่อบวชแล้วองค์สมเด็จพระบรมโลว ก, กันานยกเอาชนะห่วงทั้งหลายของมันได้คือปวดตังคีเวทนั ง, นางปาเทพริยาัเถไหมายความว่าห่วงลกวกูกผูกคอห่วงพัญญาห่วงผูกมือห่วงรั์ผูกข้อเท้า เป็นชื่ว่าห่วงทั้งสามรายการนี่ไม่มีแต่องค์สมเด็จตสมมาสมภูฐานเจ้าผู้หมดกิเลสเราในฐานะเป็นโอรสขององค์สมเด็จเทวรมหาโลกกันเองเราจะฝ่าฝืนพ่อแม่หรื อ, อยังไงนี่ว่าตั้งใจปฏิบัติตามความดีตามที่องค์สมเด็จพระจอมไตรภูมิเป็นพระพุทธบิดาทําแล้วความจริงเนี่ยใครทำความเลวชอบเลวสึกไปใช่ไหม อย่าเข้ามาอยู่ในขอบเขตของพระศาสนาเลยไปเป็นฆราวาสมีประโยชน์กว่าทำได้ทุกอย่างความบาปกรรมก็น้อยถ้าเราต้องการผ้ากาสาวพัดกัณดูจริยาเขาองสมเด็จตุสงสวัสดิ์ซึ่งพระนานานาทรงกล่าวว่าพระราชุกุมานผู้เช่นนี้เป็นพระราชโอรสแห่งพระพัชนกชนนีอง์ใดเส้อ หมายความกุมารลูกคนนี้เป็นลูกเป็นลูกของพ่อแม่คนไหนคนดีแ้วก็เป็นสามีของหญิงนางใดๆดก็ ต, ตามทีพ่อแม่คนนั้นและก็ตาพัญญาคนนั้นมีความเย็นใจได้ไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยนี่จริยานี้ขอท่านหลายก็ยมพยายามปฏิบัติตาม พระธรรมวินัยอันไดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรกะว่าจงอย่าทําเลยเราไม่ทําอันนี้จงปฏิบัติเราทําในที่สุดเราก็จะเรีรู้มรกมผลคือเป็นอนหัตผลมันก็เป็นของไม่ยากถ้าเราเป็นคนว่าง่ายเป็นคนที่พระธรรมวินัยว่าง่ายพระธรรมวินัยว่ายอย่างไรเราว่าตามท่านเท่านี้เป็นของไม่ยาก คืนเพาะว่าอริยรมกกรรยรผลไม่เห็ุเกิดมีสัยของคนถ้าเกิดมีสัยของคนแล้วไม่มีใครทขามนรู้ได้ฟังกันต่องไปสำหรับท่านผู้เป็นคนดีองค์สมเด็จพระชินทรีสีสมดำดีว่าเราอ น, นางอิสาโคตมีก็าลาวให้ได้ยินอย่างนี้แล้วจิงเปลือกแก้วมุกดาหานจาประสอ ทรงประทานให้แก่พนานแล้วสเสด็จเข้าไปสู่ที่ของพระองค์อระทับวนพระแท่นพระธมมันเป็นสลิทอาพระเนศรึงการอันประหลาดขโมยญาติซื่อเห็นหมู่หญิงฟ้อนที่เข้ามาถึงแล้วก็หลับเข้าถึงความหลับกเถิยบารีท่านว่ามันยุ่งจริงๆ เวลาท่านนอนตื่นขึ้นมาเห็นหญิงที่มาฟ้อนลำขับก็โคมบลเล้าบลลมเป็นปกติเธอมีอาการต่างๆมีอาการหน้าเบื่อหน่ายนอนน้ำลายบังไหลบังกายกันบังผ้าเลิกบังคนนอนหลับนี่จะแอบตื่นขึ้นมาเวลาเขาหลับท่านก็เป็นอย่างนั้นเวลาที่ตื่นอยู่เขาก็ระมัดระวังมันน่ารักถ้าอันตามมาลีเขากลุมกลุมจริงๆ จึงท่านยังปลูกในฉันให้ลุกขึ้นตอนนี้ไปนำม้ากันธากรรมมาแลว้วก็เสด็จขึ้นมาหลังม้ากันธากะและกันถกมีนายฉันไป็นสหายแล้วก็มีเทวดาในเมืองจักรวาลห้อมล้อมนี่ออกหบทเสด็จออกสู่ ม, มาหาพิเนสกรมทรงบรรไวชาที่ดิมฝั่งแม่น้ำอนนมาณทีเสด็จทิ้งกรงราชคฤห์โดยลําดับ พระเทีเทววินาบาทในกรุงราชเชือนั้นประทัพนั่งทิ้งเริ่มมีเขาปันดวะอันพระเจ้าเป็นดินมะคดทรงเชื้อเชิญด้วยราชสมบัตินี่หมายความเข้าไปเมืองมะคตเท่าไหร่ที่ออสุมมหาพิเนศกรมพระเจ้าวิมีสารบอกนี่แต่ขอใครรู้เพื่อนให้เพื่อนกันถ้างั้นอยู่ดีกันมาร่วมกันสยราชสมบัติแบ่งสมบัติกันคขึ้น รรพระองค์ก็ทรงปฏิเสธคําเชิญนั้นทรงรับปฏิ ญ, ญาจากเท้าเทวหมายความบอกว่าเราไม่ได้โกรธใครที่ม า, า, าม น, นีแสวงห า, าพิเนสครรมพระเจ้าบิเบสานี่กล่าวว่าถ้าบรบรลุปฏิเษกสมมาสมัมโพธิ ญ, ญาณเมืออ่อไหรก็ขอที่โปรดขพระเจ้าก่อนสมเด็จพระเชิญวอนมาเป็นเพื่อนกันนี่บอกว่าไทยนั้นตกลงเมื่อบรรลุแล้วก็จะมาโปรดท่ง้งก่อน เป็นนันว่าทิงกล่าวว่าเพื่อประโยชน์แก่การได้บรรลุอาวสับพญิตยานแล้วสเสด็จมาสู่แครงของพระองค์สเสด็จเข้าไปหาอาราดาบทตุทักันดาบทไม่ทรงพอพระทัยคุณวีเศษที่ได้บรรลุในสานักของ้อสอนด า, าบทนั้นทรงตั้งบริทัยความเพียรใหญ่ต่อไปอีก ตั้งหมดรวมด้วยกันหกปีองค์สมเด็จไปทินาสีบรมศาสนดาสมาสุพุริเจ้าที่ได้ทรงบรรลุอริเสศสมาสัมปุทิียานนี่เป็นอนุวาวันนี้ยังไม่ได้อะไรกันเอาแต่เริ่มเริ่มต้นย่อๆเท่านั้นฉันเล่าแต่เพียงว่าก่อนที่องค์สมเด็จพระพิชิธรมานจะบรรลุอริเสศสมาสัมโพทสียานเรื่องย่อก็มีนีดเดียว ถอยหลังไปจากนียสิเคียสงคากับแสงกลับมีสมเด็จตัสสัมมาสัมพุทธเจ้าสมบัติมาพุท ธ, ธีปังก่ทรงพยากรเพราะในสมัยนั้นท่านเป็นลูกเศรษฐีเชื้อพระรามที่เป็นเศรษฐีละสมบัติแล้วออกหมดเป็นส ม, มัยธนดาบมดและหลังจากนั้นได้รั บ, รบพยากรจากองค์สมเด็จพระบรมศพอีกยี่สิบสามพระองค์รวมไปยี่สิบสี่พระองค์ด้วยกัน มาจุงกระทั่งชาติสุดท้ายนี้เป็นสิทธฐาราชกุมารและจึงได้บรรลุวิเศษสมาสัพพติญาณเป็นพระพุทธเจ้าพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอรบรนดาท่านเพื่อนสาธรรมิกะและญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายวันเริ่มต้นนี้ยังคงไม่ได้อะไรทั้งนี้เพรอาอะไรเพราะว่าท่านก็ะเราย่ อ, อมาสัจจุกระทั่งหมดเวลา เป็นธรวมะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอลา ก, ก่อน ข, ขอขอความสุขสวัสดิที่พัฒนะมงคลสมบูรณ์ภูนผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี